เรื่องสโบโกรณีพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากัสะปะผ้าบังสุกุลเกิดขึ้นแก่เราที่นี่เราได้คิดดังนี้ว่าจะพึงสักผ้าบังสุกุลที่ไหนหนอลำดับนั้นเท้าสะกัดจอมเทพทรงทราบความรำพึงในใจของเราด้วยพระไทยจึงทรงใช้พระหัตขุดสะโกรณีแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงสักภาพบางสกุลในสานิเถิดสะโบกกรณีนี้อันผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์ใช้มือขุด